ท่านไปโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ท่านได้สมาทานรกรรมฐานสมาทานสินแล้วต่อไปก็สนับการเจริญพระกรรมฐานในด้านปัจจินกะคือเล็กๆในน้อยทั้งนี้ก็รู้ว่าพื้นฐานข้อเรามีกันดีแล้ว แต่คำว่ามีดีนี่ผมหมายความว่าผมให้ไวหมดแล้วให้ไว้เยอะตอนนี้ก็ยาวบุคคลตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่แนะนำกับท่านบุคคลตัวอย่างในที่นี้ให้นามว่าพิสูนห้าร้อยรูปเรื่องก็พิสูห้าร้อยนี่มีอยู่เยอะ ท่านปฏิบัติเกณฑขาวละห้าร้อยความตามทราบาลีนีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับยับยั้งสาราญอธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในวัะเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารบพิสุห้าร้อยรูป ยังได้ตรัสวัธรรมเทศนาว่าสเพสังขาราเป็นต้นตอนนี้ท่านต่อฟังกันให้ดีนะครับ <c oughs> ฟังแล้วก็คิดไปด้วยใช้เป็นยาพิจารณาตามไปจงอย่าฟังแต่เป็นบุคคลใช้แต่เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าฟังแล้วใช้สัญญาอย่างเดียวผลไม่เกิด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 ฟังส่งเดชไม่มีผลนี่ลองฟังดูแตมกระแสพรวัฒธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลที่ทรงตรัสแล้ววันพระพระได้บรรลุมรคลในเขาศึกษากันยังไงเอามาเปรียบเทียบกับบรรดาตัวของเราเองท่นนี้ผมไม่ไช้บรร nam ว่าท่านเป็นคนโ ง, ง่หรือไม่ได้บรร น, นามว่าท่านเป็นคนเลว เอามาเปรียบกำลังใจกัน่ซนใดเป็นที่ชอบใจเป็นแนวทางปฏิบัติเราเอาตามนั้นตามเพิ่มบาลีทิ้งกล่าวว่าได้สดับมาพิสุเหล่านั้นห้าร้อยรูปเน่เรียนเพื่อกมาฐานในสำนักพระองค์สมเด็จตัวสมาสมาสมุทธเจ้าแล้วก็พากันภาคเพียนพยายามอยู่ในป่า แต่ก็ไม่ได้บรรลุพระอรหันต์จึงคิดว่าเราจะเรียนพระกรรมฐานให้ดีไปกว่านี้อีกจึงได้กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายังพระเชตวันมหาวิหารไปขอศึกษาพระกรรมฐานกระองสมเด็จพระพิชิตตมานเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระไเาาจ้าจึ่นใ้ทรงพิจารณาว่า กรรมฐานอย่างไหนน้อแรมเ่เป็นที่สบายขบันดาพิสุ่ทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ทรงดำริว่าพิสษุพวกนี้ในการก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงพรนนามว่าพระพุทธกสพตามประกอบแล้วในนี้อันนี้จรักษนะ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 นี่ท่านเลียงเรียนเรื่องไม่เที่ยงมาในสมัยพุทธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภรณนามาภวตัสกศบ <c oughs> ฟังเรื่องของท่านแล้วก็ให้ใจของเราไปจับจุวบ้างว่าเวลานี้จิตใจของเราทําไหลายเห็นว่าอะไรมันเที่ยงบ้างตัวของท่านเองเที่ยงหรือเปล่านั่งเล็กมาค ร, รับ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 เราจะเห็นว่าอาการของร่างกายไม่เที่ยงแต่สภาพอย่างหนึ่งมันเที่ยงนะครับเอเพราะว่าตามธรรมดาขันห้าคือคนคนดีใส่คนดีหรือว่าวัตถุท่ายก็ดีมันมีสภาพเที่ยงอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสือ่อมในตรงกลาง ม, มีการสลายไปในที่สุดในอาการของมันเป็นอย่างนี้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 ถ้าหากว่าเราไปคิดว่ามันออกจากท้องแม่พ่อท้องแม่เนี่ยร่างกายเข้ามันโตแค่นี้ไหมถ้าทราบว่ามันไม่โตเานาเกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ความจริงสภาว่าของร่างกายมันเที่ยงของมันแต่เราไปยึดว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายอารมณ์ไม่ทรงตัวมันเป็นปกติของชาวโลก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 เพราะอะไรเพราะของในโลกนี่ไม่มีอะไรมันเที่ยงทำไมมันจึงมีความรู้สึกว่าจะเที่ยงมันนั่นก็คงกูนี่ก็คงกูพ่อคงกูแม่คงกูลูกคงกูเมียคงกูผัวคงกูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องอยู่กับกูตลอดไปอารมใจมันเลวทีทันมันไม่ยอมรับนาะถความจริงมันเลวอย่างนี้ ใจมันไม่เที่ยงก็บังคับใจมันเที่ยงเสียเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของท่านต่อไปเนี่นี่เราเราฟังกันเพื่อการศึกษานะไม่ฝังนิทานที่พระพุทธเจ้าท่าทรงเป็นดําริว่าคือทราบด้วยอํานาจพระพุทธญาณว่าพระผู้นี้ในสมัยพระพุทธกษัตริย์ปราลบความไปเที่ยงอยู่เป็นปกติ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 จริงคิดว่าการสแสดงคาถาด้วยอ น, นิจจลักษณะนั้นเราจะเท่ให้แก่เธอสักคาฐ า, าเดียวก็สมควรเพราะว่าแกทรงความไม่เที่ยงมาแล้วเนี่ล่อไม่เที่ยงใช่จนชุ่มเวลานี้เราไปสะกิ์ไม่เที่ยงเขาหน่อยเดียวก็สกิดแผเก่า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 เราจับไว้เป็นคติทรงอารมณ์อยู่บาเออที่มันจะไม่เป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปพบองค์สมเด็จพระบร ม, มครูมีนามว่าพระศรีอาริยะเมตไกรแคะแผ้เก่าเข้านั้นแหละความเป็นอรหันต์มันก็จะปรากฏเป็นวันว่ามาองค์สมเด็จพระบร ม, มสุคตดำริอังนี้แล้ว ยังได้แต่งกบับรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสังขานทั้งปวงไม่พบทั้งหลายมีกรารมาพบเป็นต้นมีสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะว่ามีแล้วก็เหมือนกับไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าเทคแค่นี้นะ ยังไม่ดีนะแสงขานทั้งปวงในพบทั้งหมดมีกามมพบเป็นต้นนีอะไรกามมพบกรรมมาพบก่อนมนุษย์โลกนี่ก็เป็นกรรมมพบเทวโลกก็เป็นกรรมมาพบสาหรับรูปแบบผมหรับรูปแบบผมก็เรียกว่ารูปแบบพบเป็นพรหมที่มีรู ป, ป, รร ป, ปเป็นอันว่าสภาวะของคนกนดี ทเทวดาก็ดีพรมก็ดีไม่เที่ยงเพรอะไรการเกิดเป็นคนมันก็แต่มันก็ป่วยมันก็ตายเกิดเป็นทเทวดาถ้ามีสภาพอะไรหมดบุญวศาสนาบา ร, รมีก็จุติเคลื่อนไปเกิดเป็นพรมทั้งหมดกําลังชานเมืออ่อไรก็ไปอีกแล้วเป็นนามภพต่างๆเนืห้หาความเที่ยงไม่ได้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 เป็นอันว่าเมื่อจบระธรรมเทศนาสันส้นๆแบบนี้บรรดาพิสุทธิ์ั้งหลายเ้านั่งก็ตั้งอยู่ในอรหัตผลแล้วท่านบอกว่าะธรรมเทศนาเป็นประโยชน์แก่ชนไปอันมากตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียกกันสิตอนนี้ผมให้ท่านนั่งคิด คิดตามผมพูดหรือว่าคิดตามกำลังใจเขาท่านก็นได้ว่าในาศาสนาในสมัยพระองค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าเทศไม่มากสอนไม่มากแต่ท่านอยู่กับผมเนี่ยผมน่ากลัวมันจะพูดมากเกินไปนะพูดกับท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน ถ้าการพูดกับท่านแบบนี้นี่ผมไม่ได้ประนามว่าท่านจะเลวแต่ว่าบางเอิญท่านหลายไม่มีความเข้าใจในคำแนะนำของผมผมก็ถือว่าผมเลวที่ไม่สามารถจะนำความรู้มาแนะนำให้ท่านบรรลุมารผลได้นี่ถ้าจะพูดกันไปทีแล้วก็ตัวผมเองล่ะ ตัวผมเองนี่บรรลุมาคนแล้วหรือยังต้องคิดหรือว่าต้องคิดจะบรรลุหรือไม่บรรลุประชังถ้าดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าพระเทศท่านเป็นสุขาวิปัสสโกท่านก็นสอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ อันนี้กาวคําสอนนั้นมันไม่ใช่ ค, คาสอนของท่านเป็นคําสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเห้การนี้ผมแนะนํำท่านก็เหมือนกันผมแนะนําท่านนี่ไม่ใช่ความรู้ความดีของผมเป็นความรู้ของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไปกมานั่งไหล่เบียดอูที่ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดจะมันถูกแล้วกิด พูดเท่านั้นพระพวกนั้นเป็นพระอราหารันนี่มันแปลกเนาะแปลกไว้ครับเพราะว่าท่านั้นหลายไม่แปลกเกีรเรื่องท่านภายะพระพุทธเจ้าแตส่สั้นๆว่าพายะเธอเห็นรูปแล้วจึงทําจิตแต่เพียงศักดิตะไวยเห็นเท่านี้แท้ก็เป็นอราหัน ท, ทันที นี่มาตอนนี้เราฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จเป็นมหามุนีท่านกล่าวยาวออกไปนิดหนึ่งนะฮยาวไปหน่อยนะแล้วมันนั่งคลำนั่งคํำดูท่านบอกว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าใช้ปัญญาพิจารณานะครับว่าสังขานทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุก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 ในในเมื่อคอผมไม่เที่ยงแล้วเสียงมันก็ไม่เทียงไอเสียงไม่เที่ยงเลยทําใจท่านนหลายให้ไม่เทียงไปด้วย <c oughs> พร่อะไรพรุทธบาทท่านก็นจะมานั่งใกว่าคําแนะนําของผมในคืนนี้แบบมาคเย ว, ว่ากันซะเรียบร้อยนิ่มนวลไพเราะจับใจไพเราะสนอโสดนะอ จับอกจับใจไม่มีอะไรเข้มาสะดุดพอพูดเรื่องไม่เที่ยงคออย่างเดียวพ่อเทวดาไม่เที่ยงคอแกก็เกิดขึ้นมาอยู่อยู่แกก็อย่ไอพูดพู ด, พดไปจ ม, มูกมันก็คัดจ ม, มูกมันเป็นหวัดสั่งน้ํำมูกพูดปาดพุดปาด <c oughs> นี่ท่านนันไเห็นว่าอาการท่านนันไล่านี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 ดีมค ร, รับเอากันอย่างนี้สบายดีนะเที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้สุดแลแต่ปัญญาของท่านท่านบอกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกเพราะว่าถ้าไม่เที่ยงเรา ย, ยึดถือมันซะแล้วมันก็ไม่ทุกข์เราเบื่อหน่ายในทุกเป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์มันเลยสิ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 ถ้าลงช่างมันเส้นได้แล้วใครจะด่าก็ช่างมันใครจะว่าก็ช่างมันใครจะเสียสีนินทาก็ช่างมันใครจะทันเสริญก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันของรักเกียรพัดพร่แจกันก็ช่างมันเพราะสภาพของมันเป็นอย่างนี้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 นักแา่กำลังใจเป็นสุขโดยการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างนี้เที่ยงในครับสบายอารมณ์สบายจริงๆวันนี้เรากรินแกงหมูพรุ่งนี้อย่าเพิ่ง น, นึกว่าอย่เพิ่งริงได้กินแกงไก่นึกว่าวันนี้อยากกินอะไรก็ช่างพรุ่งนี้อยากกินอะไรก็ช่าง สภาพว่าของมันมีสภาพอย่างนั้นกินก็อยู่กินก็ตายไม่กินก็ตายถ้ากินมากตายเร็วถ้ากินมากตายช้าก็ตายกินน้อยตายเร็วกินน้อยตายช้าก็ตายมันก็ตายทั้งนั้นมันตายไปทุกวันจะไปนสนใจอะไรก็บับสภาวะที่มันจะบังโลให้เราตาย อารมณ์ใจของเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอย่าไปยึดถือจุดกองความสุขอย่าไปยึดถือจุดความทุกข์ใดๆไม่มีเป็นอันว่าไม่มีอีกแล้วเลิกกันยกย่อดกันไปถ้ากำลังใจของท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ดูตัวอย่างพระพิสุห้าร้อยรูป พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตาภาพจะเป็นพบใดๆก็ตามอัตภาพมนุษยค์คนดีเทวามาพบ ก, ก็ดีรูปกาพบ ก, ก็ดีหมายความอาตาภาพที่เป็นมนุษยค์คนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นทรงคนดีมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงแล้วก็เบื่อหน่ายในทุกข์ไอของสิ่งใดที่เราเบื่อมันก็ไม่ทุกขก์สิ แล้วเบอรแล้วเราไม่ต้องการไม่ต้องการความทุกข์ออเพราะอะไรพยอมรับนับถือกฎคนธรรมดาธรรมดามีอย่างนี้อย่าปลนเปลยให้มันดีไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้วเป็นอันว่าเราก็เลิกคบมันทุกอย่างทําใจวางเฉยมันจะมาอย่างไงก็ช่างคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสําหรับเรา ชาติหน้าไปขึ้นชื่อว่าการเป็นมนุษย์กนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรคนดีไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นสัตว์ชั้นไม่เป็นเปรดไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นพรไม่ต้องการมนิยมอะไรมาทั้งหมด แล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันที่ท่านเรียกวนานิพันอารัปดาประโยคาวจรทุกท่านเวลาหมดเสร็จแล้วคิดว่าการแนะนำเท่า น, นี้มากไปสำหรับทุกท่านไอรับคำแนะนำอยู่เส ม, มอต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น